เรื่องภิกษุนวกะลงประชุมก่อนสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถภิกษุผู้นวกระทั้งหลายลงประชุมกันก่อนแล้วหลีกไปด้วยคิดว่าภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายยังไม่มาเลยอุโบสถมีในเวลาพิการภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระทั้งหลายลงประชุมก่อน